أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أشمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري واسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يقه قولي เราบา ظلمنا ن ف س ن ا و ل م ت ر لنا وترحمنا ل ن ك ن ن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا ح س ن وفي الآخرة ح س ن وقنا عذاب النار الله معلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله ب ิครราต ج م ع ة นที่สองนะครับหลังจากที่เราได้เริ่มอ่านแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วอายที่หนึ่ง อายัดที่สองนนี้อินชาอัลลอฮ์จะเริ่มตั้งแต่อายัดที่สามเป็นต้นไปซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับอายัตที่เราอ่านไปแต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นตอนหลังของช่วงที่หนึ่งสุรตุลจุมะเป็นสุรัที่อัลลอฮ์สุบฮานะอูตะลาให้เรารำลึกถึงความยิ่งใหญ่ณหมัดประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ Bug. ที่พระองคประทานให้กับพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นประชาชนของท่านนาบี มุฮ <c oughs> <c oughs> ัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมเี่มีนยยะสาคัญอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับหนึ่ง ว, วันวันจุมฮาหรือว่าวันศุกเนี่ยเป็นวันที่สาคัญเป็นวันที่อัลลอสุบไพรตลลสร้างของฟ้าและแผ่นดินเป็นวันที่ ala, อัลลอสุบไพตลลหลายหลายอย่างนะครับอ่อััตสุดท้าย หรืออายะที่อลัอลลอฮฺบอกว่าศา ส, สนาของพระองค์นั้นสมบูรณ์ก็คืออายะที่ถูกประทานลงมาในวันศุกวันอาราฟะซึ่งตรงกับวันศุกร์เลียวมาอักมัลทุละคุมดีนะักุมแะอัมัมทูละไอคุมเนื้อเมติอารัดิทูละคุมอิสลามดีนัดังนั้นความยิ่งใหญ่หลายๆประการในศาสนาอิสลามถูกผูกโยงกับวันศุกหรือวันจมุมฮฺ และแน่นอนที่สุดสิ่งที่อลัอลลอฮฺพูดถึงในอมตที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งสําหรับบ่าวที่เป็นประชาชนของท่านนาบีมุฮัมมัดก็คือเนี่ยพูดถึงการแต่งตั้งท่านนาบีส่งท่านนาบีมาให้เป็นผู้ที่นําพวกเราทุกคนออกจากความหลงทางไปสู่แสงสว่างแห่งอิสลามก็ถูกพูดถึงในสุระตุอัลจุมะเหมือนเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่นะครับวันศุกร์จึงเป็น สั ญ, ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทุกคนที่เป็นอุมมะของท่านนาบีท่านสุดท้ายซึ่งอัลลอละประทานวันศุกร์ให้เป็นของขวัญแก่ประชาชิของท่านสญญาลต่ของอะลเาหันลววันนี้เราอ่านตั้งแต่อายัดที่ที่สาเป็นต้นไปหนถะึง3ถึง5นะ้าเนาะถ้าทันก็น่าจะได้ครบสันแะล อาบ ب ا ل ลลาห์มินะ ا ิชชั ي ตานอัลรจ ل มและอีกคน ن นึ่งจ ي กพวกเขาไม ه เ م ย يلحقوا بهم วะฮุยนิมุตตะก ي ตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะ ض ะตะตะ ที ه ِหَ ي มَ่าชَายวะแล้วท่ ظ นร مثال الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثال الحمار <م ث ل> <م ث ل> ثم لم يحملها كما س َ ل ح م ا ر يحمل ف ا ر ا بسماسل القوم الذين ك َ ب ซُบุบอายา ا ิลลาห์วะแล้วจะมีใครมาช่วยเ ทำโดยลิลละโอเคนั้นก่อนนะครับอย่างที่เราไปเราอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วว่าสุลห์นี้อยอห์น ท, ที่สองเนี่ยรต่ลาพูดถึงการแต่งตั้งท่านรอซูลอัรอซู ล, ลอุมมีรอซูลที่อุมมีอุมมีคืออะไรครับบัตะฟิลอุมมียินทรงแต่งตั้งในหมู่คนที่เป็นอุมมียีน คนที่ไม่รู้นังนสอรอสูอละมน ن ุ ม, ม, มยัต لو ع ل า ه م آ ิ ا ت ه و ي ز ك ก م ويعلّم م ل ัลลิมายความว่ามาพร้อมกับหน้าที่ในการสอนอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานให้ฟังขจัดสิ่งสกปรบอบรมขัดเกลาให้ผู้คนนั้นเป็นคนดีนี่คือหน้าที่ของท่านนาบีของเรา m u h ลพังการแต่งตั้งท่านนาบี m u h a ให้เป็นรัสูลเนี่ย ถือว่าเป็นเนืหมัดที่ใหญ่มากดังนั้นมันจึงมีความเกี่ยวข้องกับอายัดแรกอายัแรกที่าทัดอะไรพูดถึงการตัสแปะต่ออัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับว่าเ น, นื้อหมัดเท่าทตดอะไรประธานท่านนาบีให้มาเป็นรอซูลกับเราเนี่ยเป็นหลักฐานเป็นข้ออ้างเพียงพอที่จะให้เราเนี่ยได้ตัสแปะต่ออัลลอฮ์ เหมือนในสุรลลุรละลที่ Taala บอกว่าสริมารับบิลละจงห้า a h Taala ฟูงสงงงเราทบพหเาะ t a a l สงงเราขอบคุณ a l l a เราซดูดี a l ซดูดีเรื่องอะไรซาดูดีเรื่องที่ Allah ให้เนหมัดกับเราเยอะแยะมากมายอะไรที่ a l พูดถึงหลังจากนั้น สบพิสมารบิคะอัลเลาะห์ที in, ่ خلقفسوو ที่ قدرفادو ที uh ่ أخرج المرأة ที่นะละตั๋ลาพูดถึงเนื ah ้อหมัดของพระองค์เยอะแยะมากไปเนื้อหมัดต่างๆที่พระองค์พูดถึงหลังจากนั้นนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทาไมเราต้องตั้งแต่ต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกับสุราห์นี้ที่ละตั๋ลาบอกว่ามัคโลกท่องปวงตั้งแต่ต่อพระองค์นั่นเป็นเพราะว่า มันมีเนหมัดที่ยิ่งใหญ่เป็นเหตุทำให้เราต้องตัสแบกต่อพระองค์นั่นเองทำให้มคโลกทั้งหมดต้องตัสแบกต่อพระองค์นั่นเองนั่นก็คือเนืหมัดที่อัลลอาลาให้นบีคนหนึ่งแก่ประชาชาติยุคสุดท้ายพี่น้องครับการที่เรามีรอซูลในโลกเนี้ย ถือเป็นถือเป็นบุญคุณที่เราไม่สามารถจะเอาบุญคุณอื่นมาเปรียบเทียบได้อีกในสุรัอาลไอมรันในสุร่าอื่นสุราอัลไอมรันนอกจากสุร่าจุมฮะนี่อัลลอฮฺมีองค์การที่คล้ายๆกับอายะที่สองเนี่ยที่อัลลอฮฺตบอกว่า لقد من الله على المؤمنين อัลลอฮฺ Allah ต้าลานั้นได้ให้แก่บรรดามุ่มินผู้ศรัทธา แล้วอัลลอฮ์ก็เอาเอาเนหมัดที่อัลลอฮ์ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในข้อนี้เนี่ยมาอ้างบนคุณว่าเราได้ให้กับเจ้าให้อะไรอิบะอัฟีห์มรอสูลัมมินอัฟุซหมตอนที่พระองค์ทรงแต่งตั้งรอสูลคนหนึ่งจากหมู่ชนของพวกเขาเองเนี่ยยัตลูอะลห์มอายาติวยัแคีห์มวยุลลิมุฮุบุลคิทับะวะลิคมะ ว่าอ ال ินฺแคโฺ่นกับโวลูลาฟีฺด๊าลัลฺมูบิดท่านหลังเนี่ยเหมือนกับอายต์ในที่อายต์ที่สองในสุรฺร์ุตุลจุม้าหล์ละสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารก็คือว่าการแต่งตั้งท่านนาบีให้เป็นรอซูลกับเราเนี่ยเป็นเนืหมัดที่ใหญ่หลวงเป็นเนืหมัดที่ใหญ่หลวงซึ่งสิ่งนี้เป็นการตอบสนองดุอาของท่านนาบีอิบราฮิมอลัยฮุสสลัย ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวโครชนึกได้ไหมฮะตอนที่อิบรอฮิมเอาลูอิสมาอิลกับฮจารมาวาไว้ที่มักกะแลสร้างคาบบะ์เสร็จสกรยอิบราฮมขอดูอางยังไงรับบเนมว อิบราฮิมขอดูอาจะอัลลอฮ์ว่ายะอัลลอฮฉันเอาลูกของฉันเนี่ยลูกหลานของฉันที่จะเกิดขึ้นที่มักกะเนี่ยเนื่องจากว่ามักกะนี่ไม่เคยมีนบีอิบราฮิมเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองฟิลาสตีนอาศัยอยู่ในเมืองชามสมัยก่อนเนี่ยซึ่งเป็นดินแดนแห่งบรรดาอบีแต่พอเอาลูกหลานของท่านมาอยู่ที่มักกะเนี่ยมันไม่เคยมีนบีมักกะไม่เคยมีนบีก็เลยขอดูอาจะอัลลอฮว่าขอให้มีนบีที่มักกะด้วย ขอให้มีนบีจากลูกหลานของชั้นที่มักกะด้วยและสุดท้ายอลัอลลอฮฺก็ให้มีนบีขึ้นมาจริงๆ จ, จ, จากลูกหลานของอิบรอฮิมนั่นก็คือมุฮัมมัดสลุลลั ล, ลลอฮฺอลัยฮิสแลฮฺชาวมักกะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็นับถือศาสนาของอิบรอฮิมสมัยก่อนก็นับถือศาสนาของนบีอิบราฮิมเพราะเป็นเป็นตู เป็นต้นตระกูลของตัวเองนบีอิบราฮิมมีศาสนาที่เรียกว่าอัลฮานิฟิยาความบริสุทธิ์ตามศาสนาของอิบราฮิมก็เป็นมุสลิมแต่หลังจากที่เสียชีวิตไปการเวลามันผ่านพ้นไปเนี่ยลูกหลานของอิบราฮิมก็เริ่มที่จะทําอะไรที่มันผิดไปจากศาสนาของของบิดาของตัวเองของบรรพบุรุษ ข, ของตัวเองเริ่มเอารูปเจว็ดเข้ามาในมักกะทําให้สภาพสังคมมักกะเนี่ยมันเปลี่ยนไป จากเดิมที่เป็นศาสนาเตาที่กลายมาเป็นศาสนาชริกแล้วเขไม่มีคนที่จะมาสอนไม่มีคนที่จะมารื้ฟืน้นใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมที่เน่าฟอนเฟะเลเทมามาไม่รู้ตั้งกี่กี่พันตีสุดท้ายอัลลอลฺก็ส่งนบีคนนี้มามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วมาเนี่ยไม่ได้มาเป็นนบีเฉพาะชาวกุเรชเท่านั้นอันนี้ที่มันพิเศษกว่านบีคนอื่น ถ้าที่ฟิลิสตีนที่บันีอิสราเอลใช้ชีวิตอยู่นบีเหล่านั้นมาเพื่อเป็นนบีสําหรับบันีอิสราเอลเท่านั้นแต่มุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาเป็นนบีในหมู่คนที่ไม่รู้หนังสือและคนที่ไม่ไม่ใช่เฉพาะคือคนที่ไม่รู้หนังสือคือพวกอาหรับและคนอื่นๆด้วยนี่คือความหมายของอายะที่สามที่อัลกตาลาบอกว่า ว่าอัคริ منهم ลัมมาจะ لحقو بهم وهو العزيز الحكيم อายะที่สองเนี่ยเราจะมาบอกว่าท่านนบีน ok ี k k ira, ่ถูกแต่งตั้งมาในหมู่คนที่ไม่รู้หนังสือนั่นก็คือชาวอาหรับถามว่าเฉพาะชาวอาหรับไหมที่เป็นรอซูลที่มูฮัมหมัดนี่เป็นรอซูลให้คาตอบก็คือไม่มูฮัมมัดมาเป็นรอซูลให้กับคนทั้งหมดเลย ไอ้ที่สามหมายความว่าอย่างไงครับอว่าขารีนามินผมและคนอื่นๆล้วม้ยล حق ูบิหิมคนอื่นๆที่ยังไม่ได้มาถึงที่ยังไม่ได้มาอยู่ในมาเจอกับท่านนาบีไม่ได้มาคลุกคลีกับท่านนาบีไม่ได้มาอยู่ในยุค ข, ของบรรดา صحابة แล้วแม้ยลก ق ูบิหิมก็คือ คนอื่นๆที่ไม่ใช่อาราบนี่คือนีนคอนน่คือตัศนีของบางของบางคนอย่างเช่นของอมุชาฮิดมุญาฮิดบอกว่าว่าไหร่ลอาราบอัม um มีนฮุหมุลอาราบนะคนที่ไม่รู้หนังสือคืออาราบวะเลวอัครีนมินฮุมไหร่ลอาราบคนอื่นๆที่ไม่ใช่ออมมียีนก็คือคนที่ไม่ใช่อาราบสแสดงว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของ ชาวโลกทั้งหมดเลยคำว่าอัคารีนามินฮุมและมิลฮูบิฮิมคนที่ไม่ได้มามาอะไรเขาเรียกมาเป็นมาเจอกับยุคของซาฮับเนี่ยมันอธิบายได้สองแง่หนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้มาเจอจริงๆไม่ได้มาสัมผัสไม่ทันยุคของซาฮับจริงๆเพราะว่าใครก็ตามหรือถ้าอธิบายอีกแง่หนึ่งก็คือคนที่ ระดับของพวกเขานั้นไม่สามารถจะเทียบเท่ากับระดับของบรรดาสัฮาบะหรือวงอุลล่าฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลฮฺไเพราะแน่นอนว่าสัฮาบะเนี่ยถือว่าเป็นคนเป็นเป็ น, ปนบรรดามุมลินผู้ศรัทธาที่อยู่มีชีวิตอยู่กับท่านนาบีสุลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลัลลัมคนอื่นๆเนี่ยจะเอาไปเทียบเท่าไม่ได้นคนที่ดีที่สุดหลังจากบรรดาอัมเบียก็คือสัฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล Suratul Saaf, nah, al Hawariyun. Nabi itu kau ni, Mi Hawariyun. Nah Hawariyun, tadi, tisku, tu, kau Hawariyun. Maka Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Macam mana penungkrab? Kali yang Allah Subhanahu Wa Taala, dari ang, nikmat kau ni, ang buntun kau ni, kau puak Quraisy ni, nah. wah. พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งราซูลจากหมู่พวกโกรเรชเองแล้วให้เป็นนบีที่มีความพิเศษมากกว่านาบีอื่นๆทั้งหมดเนี่ยทำไมพวกโกุเรชพวกนี้จึงไม่นึกถึงบุญคุณข้อนี้นะทั้งๆางทางัทง้งๆที่คนที่น่าจะดีใจที่สุดคือใครครับคนที่น่าจะภาคภูมิใจกับมุฮัมมัดสุลลัลอะหอะเลฮสัลมเนี่ยคือใคร ทุกคนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยยะฮูดต้องการที่จะให้มีนบีคนสุดท้ายจากพวกของตัวเองพวกยิวเนี่ยรอแล้วรออีกว่าสัญญาเทอลาตะลาเคยบอกในคัมภี์ตร์สัญญาเทอลาตะลาเคยบอกในคำพีเ อ, อ็ญญาาเอนจี NG เนี่ยจะเกิดขึ้นในหมู่พวกบันิอิสราเอลเขารอแต่สุดท้ายมันไม่ได้มาจากบันีอิสราเอลอไงครับมันมาเกิดในใครมาเกิดในชน พวกกูเรชอันที่จริงพวกกุเรชน่าจะดีใจน่าจะภาคภูมิใจแต่ปรากฏว่าคนที่มาต่อต้านรอสุลุลล็อกคือใครพวกกูเรชเป็นพวกแรกที่ต่อต้านรอสุลุลลทั้งทั้งที่พวกกูเรชเนี่ยน่าจะภูมิใจเป็นพวกแรกแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือท่านมบบัลีสุภานั่นแหละอันนี้เป็นการเตือนให้รู้ ก็เลยต้องอ้างบนคุณว่าเนี่พวกเจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรือเราให้นบีขึ้นมาในหมู่พวกเจ้าแต่พวกเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ดูแลไม่ได้ช่วยเหลือฮะแล้วลองคิดดูอาหรับก่อนหน้าที่จะมีท่านนาบีกับหลังจากที่มีท่านนาบีเนี่ยคนละเรื่องเลยนั่นแหละที่อัลตาลาบอกว่าอินโนมแกว่าอินแกนุมิญกบลละฟิฎลาลมูบิน ก่อนนะที่จะมีนบีคิดดูว่ที่ชาวอาหรับใช้ชีวิตอยู่ยังไงฮะเป็นองค์มียิง่งไม่รู้หนังสือฆ่าลูกของตัวเองกินเหล้าทุกวันเหมือนกับไปกินน้ำรรมดงธรรมดาใช้ชีวิตอยู่ต่ำตมสุดๆคนไม่มีอรารยธรรมไม่มีวัฒนธรรมที่ที่สามารถจะเอามาอวดชาวโลกได้ไม่มีนวัตรกรรมอะไรเลย มหาอำนาจยักษ์ใหญ่สองสองมหาอำนาจในเวลานั้นก็คือโรมกับเปอร์เซียมองมายังพวกอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าพวกนี้มันพวกกุยอ้วงไม่มีวัฒนธรรมมองอาหรับเนี่ยอาหรับก่อนหน้าที่จะมีอัลกุรอานมาเนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยแต่ลองคิดดูหลังจากที่ท่านนาบีสุลต่านของอัลลอฮ์สั่งแล้วหลังจากที่ท่านนาบีเอาอัลกุรอานจากอัลลอฮ์มาให้มาสร้าง ยุคมาสร้างอนุชนอย่างอบูบักมาสร้างอนุชนอย่างอุมรมาสร้างอนุชนอย่างอุสมานอย่างอาลีอย่างอบูฮุไรร์อ ย, อ, ย อ, อย่างอิบนาอับบาสอย่างอับดุลลอห์อยบดุมัสยูดอย่างหลายหายท่านที่เป็นบรรดาสหายของท่านนาบีสุลต่านละเกิดอะไรขึ้นบันลังของโรงสั่นสะเทือนใช่ไหมครับอาณาจักรของเปอร์เซียแตกเป็นเสี่ยงเสียงเพราะอะไรเพราะอาหรับท่านนาบีมายกเกียรติของชาวอาหรับ โดยแท้เลยทําไมคนพวกนี้ไม่สํานึกของค น, คนลองอดีลองนึกภาพลองนึกภาพดูตอนที่มีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามหลังจากที่มีริละตุลอิสลามริละตุลวะะลงมาที่มุฮัมมัดและมุฮัมมัดก็สอนสร้างคนไม่ถึงหนึ่งรปีไม่ถึงหนึ่งรปีเป็นยังไงครับเกิดอะไรขึ้นสามารถที่จะเปิดเมืองอะไรได้ในยุค ข, ของท่านอุมัดเปิดถึงกอดิเซีย เปิดถึงอียิปต์ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นผลงานของใครเป็นการสร้างของใครเป็นอิทธิพลมาจากอะไรสุภาพนัลลอฮ์ทั้งที่ทยิวยิวเนี่ยเ ป, เ, ปเป็นชนชาติที่อัลลอฮวางเราตายแล้วให้ให้ทุกอย่างในสมัยก่อนเป็นคนที่มีนวัตกรรมเยอะแล้วพวกนี้พวกยิวเนี่ยพอรู้ว่านาบีคนสุดท้ายนี่เกิดมาจากชาวอาหรับเนี่ย คนพวกนี้เนี่ยไม่พอใจเครียดแค้นแล้วก็อะไรครับอิจฉาริษยาอ่าอิจฉาริษยาเพราะเพราะตอนก่อนหน้านี้ยเนี่ยพวกอาหรับเนี่ยมันเป็นแค่ทาสของอยูอ่ะอยู่ในมนดีน่ะเนี่ยยูนี่เป็นเท่าแก่จะเอาเงินเอาทองต้องมาหายูรู้ไหมท่าน阿ีเป็นอับดุลลาอีนี่ขณะที่รับอิสลามแล้วนะ ท่านอาลีเป็นอบีต้าล็บตอนที่จะไปแต่งงานกับท่านหญิงฟาติมาเนี่ยไม่มีตังไม่มีเงินออกไปหาของไปหาต้นเขาเรียกว่าต้นอิสคิลเป็นอิสคิลเนี่ยมันเหมือนกับต้นตะไคร้บ้านเราเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรที่ชั้นสูงในคนอาหรับชอบใช้เป็นเป็นยาเป็นตะไคร้หอมที่เขาเอามาใช้ในพวกอะโรมาพวกอะไรพวกสมัยก่อนเขาเรื่อยิวเนี่ยเป็นเท่าแก่ ขายของพวกนี้พวกอาหรับรับซื้อจากพวกอาหรับแล้วก็เอาไปขายเป็นชนที่คุมเศรษฐกิจทุกอย่างนะสมัยก่อนท่านาลีเป็นอบับดุลลาห์เนี่ยออกไปหาแต่ใครเนี่ยกับยิวแล้วก็เอามาขายคือยังต้องพึ่งพายิวอยู่อาหรับเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยท่านนับีุลลาหมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยมาพลิกจากเศรษฐกิจที่เคยอยู่ในมื อ, อยิวให้มาอยู่ในมือของของชาวมุสลิม แต่ก่อนเนี่ยชาวยูวจะคุมตลาดในเมืองบันดีนะตลาดบานิโกโยกะตลาดบานิโกไรซ์อ่ะแต่พอท่านนาบีมาท่านนาบีเปิดตลาดเองของชาวอาหรับเองและมันไม่ไม่โกรธได้ยังไงนั่นแหละพวกนี้มันก็เลยโกรธที่ว่ามีรอซูลมาจากพวกอาหรับแล้วมาเปลี่ย น, ปยนแปลงสังคมของชาวอาหรับให้กลายมาเป็นสังคมที่มีนวัต ก, กรรมขึ้นมาอัลกุรอานพูดถึงความเครียดแค้นของยูเอาไว้หลายที่วัดเดอร์คซีรุมมินอัฮลีลกิจาบ لويردّونكم من, من, لو من بعد أ, ا, من أ ل ะไรนนี้สุราอนี้สุรา البقرة ที่อ่าน الله ت ع บ ل ى วาวดด์ كثير من أهل الكتاب لويردّونكم من بعد ي م ا ن ه ه ا ك م كفارا ح س ّ ا من عند أنفسهم บรรดา أهل الكتاب เนี่ยต้องการที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยหลุดออกไปจากศาสนาอิสลามหลังจากที่พวกเจ้านั้นได้ศรัทธาไปแล้วเพราะอะไรครับ เฮซดมมินอิงดีอังฟุสิห์ินเพราะความอิจฉาริษยาที่อยู่ในตัวของพวกเขาอ๋อบรรดาบรรดามุ่มิตรวดาตาอีเตุมมินอัลลิล์คิทับีเลวิ้ดลลุนคุในสุร่อัลอิมรอนอัลลอตะลาบอกว่าคนพวกนี้กลุ่มชนพวกหนึ่งจากบรรดาอัลกิทาบเนยต้องการที่จะให้พวกเจ้านี่หลงทาง ว่ามาจะดิลูนอิลลัอัลฟุซุฮฺมว่ามาจะชอรุนแต่คนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้ใครหลงทางนอกจากตัวของพวกเขาเองนี่คือความพยายามของอยูมาตั้งแต่นุ่นตั้งแต่นุ่นมาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอายะห์ที่เราจะอ่านต่อไปนะครับเจัละตัลละท้าทายบรรดายูแต่จะบอกว่าจะบอกว่าถ้าไม่มูฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะะลาฮิวะสัลลัมนึกหรือว่าชาวอาหรับเนี่ยจะเจริญถึงขนาดนี้ เพราะฉะนั <processor>. ้นเหตุเนียมันสมควรมากที่บรรดามุสิมเนี่ยจะต้องขอบคุณ Allah จะต้องตัสเบหต่อ Allah سبحانه และ تعالى และนี่คือเหตุผลที่ a l l บอกว่า ف ل ه يعطيه م ي والله ا ل ف ض العظيم นะอันนี้นอนนี้ที่จว่า وهو ا ل ع ز ز ا ل ح ك م a l อนั้น ทรงอยี่งที่อัลลาะาลให้มีรอซูลขึ้นมาในชาวอาหรับและก็ให้มาเป็นรอซูลที่ครอบคลุมประชาชาติมนุษย์ทั้งหมดในโลกยุคสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าพระองค์กำหนดมาอย่างนี้แล้วอลัลอฮซใครจะมาค้านกับไม่ได้ถึงยิวจะอิดชาจะแคนยังไงถามว่าจะไปคัดค้านการตัดสินใจของอัลาลาะลาลได้ไหม คัดค้านได้ไหมไม่ได้แล้วเราตัด ก, กาหนดมาอย่างนี้แล้วอ่าราสู้คนสุดท้ายจะต้องเป็นชาวอาหรับมาจากโกรเรชใครจะกล้าคัดค้านไม่มีใครคัดค้านอ่อัลฮักกิน <c oughs> อัลฮักกินก็คือทรงปริชาญาพระองค์กําหนดมาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีฮิกมัดอย่างหนึ่งที่พระองค์ต้องการให้เกิดขึ้นกับชาวโลกเพราะการก่อนหน้านี้รอซู้เลยหมายถึงว่านะเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่พอมาถึงรอซูลคนสุดท้ายเนี่ยให้มาอยู่ใจกลางถ้าจะบอกว่ามักกะเนี่ยเป็นใจกลางของโลกทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ผิดสังเกตดูแผนที่ตอนนี้แม้กระทั่งแผนที่ตอนนี้เนี่ยเป็นแผนที่ปัจจุบันแล้วนะแผนที่ปัจจุบันนี้ใครเป็นคนสร้างครับ ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนสร้างนะไม่มุสลิมไม่ได้กําหนดแผนที่ปัจจุบันนี้ที่กําหนดเขตโทษเวลาอะไรทั้งหมดเนี่ยแต่ซุบาลล้านนั่นแหลเวลาที่เรากางแผนที่ออกเนี่ยเราจะพบว่าดินแดนอาหรับอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางแล้วนิสัยของคนอาหรับเนี่ยมันเป็นนิสัยนิสัยที่แปลกอย่างหนึ่งถ้าเราไปเรียนในประวัติศาสต ร, ร์ประวัติศาสตร์การประวัติศาสตร์ชีวประวัติของท่านนาบีเนี่ยเขจะมีการวิเคราะห์ถึงว่าทําไมเราสาระ ถึงส่งนบีคนสุดท้ายมาอย่างชาวอาหรับเรจะพูดถึงอิรฮาซอดนเบลุียอิรฮะซอดหมายถึงว่าเหมือนกับเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ว่าเป็นการเตรียมตัวว่าเอ๊ะทำไมเราสู้คนสุดท้ายจะต้องเป็นคนอาหรับคนอาหรับเนี่ยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือความความมุ่งมั่นความอะไรเขาเรียกการเผ่อแผ่นิสัยสู้สู้เนี่ยเราเราเร า, เ, ราเขาเรียกว่าสู้ชีวิตอะ ความมุ่งมั่นในการที่จะออกไปมันมีมันมีความพร้อมกว่าที่จะเอาริษ์แท้แหละหรือสารของ Allah เนี่ยไปมอบให้กับคนดืน่อันนี้เป็นอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแต่ไ ม, ม่เป็นการวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ว่าทำไมรอซูนคนสุดทใจต้องเป็นชาวอาหรับลองกลับไปหาข้อมูลดูเพราะว่า น, นี้สายคนอาหรับจะเป็นอย่างงั้นสุภาพนั่นแหละแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะห้านมะดุลินแหละนะที่เราเราถึงแม้ว่าจริงๆแล้ว เเวลาที่เราอาจจดูผลงานของคนเนี่ยไม่ได้ดูที่เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ก็แต่ก็ตามแต่แต่ว่าชาวอาหรับก็ยังมีจุดที่มันเป็นความพิเศษของเขาอยู่แะจุดที่มันเป็นความพิเศษของเขาอยู่นั่นก็คือนิสัยชอบความจริงจังความจริงใจกับคนเนี่ยถือว่าคนคนชาวอาหรับนี่ถือว่ า, า, ววาต้องต้องยกให้เขาต้องยกให้เขาจริงๆเรื่องการทุ่มเทเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองอะไรนะ ยึดมั่นยึดถือถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอื่นๆก็ตามแต่นะครับ อ, ลอลัลล์อมีคำพูดนะครับของอะลอมาุสซาดีในตัสซียเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าสภาพของชาวมุสลิมหรือของชาวอาหรับก่อนที่จะแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดให้เป็นรอซูลกับหลังจากที่แต่งตั้งท่านนบีเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยฟาคานะูบาอัลฮัดการเม واتتس กียะมิ بل كان وأئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقا وأحسنهم حديا وسمتا اهتدوا بأنفسهم وهدوا غيرهم فصاروا أئمة المهتدين و ا ا ه د, د ا الم ه ت المؤمنين ف ل ل علي ه عليهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل نعمة وأجل منح نيلك ن من ี่แหละหลังจากที่ท่านนบีได้ขัดเกลาได้สอนอัลกุรอาน เราได้เอาอัลกุรอานเอาความรู้ต่างๆที่มาจากอัลลอฮฺวางตากเรามาสอนบรรดาอาหรับและคนที่ไม่ใช่อารับเนี่ยปรากฏว่าคนคนเหล่านี้นะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือพลิกเลยทั้งเรื่องมรารยาททั้งเรื่องนวัต ก, กรรมทั้งเรื่องความรู้แน่นอนว่านะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นเกิดมาจากการสั่งสอนการเอาวะฮฺยูมาใส่เข้าไปในหัวใจของบรรดามนุษ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะ ย, ย้อนวงล้อประวัติศาสตร์เนี่ยตอนนี้มุสลิมที่กำลังตกต่าถามว่าเราตกต่าเพราะอะไรสมัยก่อนก่อนที่จะมีอิสลามเนี่ยชาวอาหรับก็ตกตา่าพวกยยหฮดีมันก็เก่งกว่าชาวอาหรับนะแล้วมันเกิดมันบังเกิดขึ้นมาได้ยังไงอารัถ้าเราจะเอาแนวเดียวกันมาทั f s ี r สภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ย เราจะบอกว่าชาวมุสลิมปัจจุบันนี้เนี่ยตกตามเพราะอะไรเอาไปเทียบช็อตต่อช็อตเลยฮะฮมีทุกอย่างเหมือนกันตอนนี้เก่งพวกเราหลายอย่างแต่ว่าเราจะสู้หิวจะสู้กับอะไรอันนี้ตั้งเอาไว้เป็นคำถามชวนคิดตราบใดที่เราไม่ได้กลับไปหาเนื้อหาที่แท้จริงนะขอ ง, งอัลกุรอานระวังว่า เราจะสู้อยู่ไม่ได้สักอยาก่างดุนยาเราก็สู้อยู่ไม่ได้อันนี้ไม่ปฏิเสธไม่มีใครปฏิเสธเลยตอนนี้ว่าเราเราสู้อยู่ในเรื่องดุ尼าไม่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่เอ า, าศาสนาอีกดุญาเราก็ไม่เอาไหนาศาสนาเราก็ยังไม่เอาไหนแสดงว่าเราแพ้ทั้งสองอย่างดุ尼ยเราก็แพ้อยู่ศาสนาเราก็แพ้อยูาาา่ยอีกเอาไหมอ่ะว่าเราจะเอาช น, นะอะไรสักอย่าง ถ้าเราเอาชนะเขาในเรื่องดุนยาไม่ได้ทําไมไม่พยายามที่จะเอาชนะในเรื่องศาสนะอย่าแพ้ทั้งดุนยาและก็อาครัตอย่าแพ้ยิวทั้งเรื่องดุนยาและก็อาครัตและเรามั่นใจมั่นใจว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาชนะยิวในเรื่องอาครัตได้ดุนยาเราก็เอาชนะได้เพราะว่าสนามที่แท้จริงในการต่อสู้ระหว่างเรากับศัตรูของอิสลามไม่ว่าจะเป็นชัยตอนเป็นลําดับแรก หรือยิวหรือศัตรูของอังาลลอฮ์สุลต่านในบนโลกดุนีย์นี้สมอรภูมิที่แท้จริงคือสรมอรภูมิอัคราสเอาชนะคนพวกนี้ในเรื่องอัคราสไม่ได้นี่เรากําลังถดถอยเรากําลังแพ้ศาสนาของเราอัคราสของเราให้กับดุนีย์ของยิวอย่านะแต่ถ้าดุนีย์เราแพ้แล้วอย่าแพ้ยิวในเรื่องอัคราสอย่าให้ยิวเอาดุนีย์มาหลอกเราจนกระทั่งเราแพ้ เราเอาอาคราตของเราไปแลกกับดุนยาของยิวแล้วสุเป็นหลักเป็นตาเยดุนยาของยิวเป็นยังไงเนี่ยอายักต่อไปมันเกี่ยวข้องกันนะอายักต่อไปเนี่ยเป็นการอธิบายภาพตรงกันข้ามตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในภาพลักษณ์แห่งความสูงส่งแห่งเกียรติยศของชาวอิสลามชาวมุสลิมที่มีรอซูล มีรีเซิร์ชล่ะที่สูงส่งมีสารที่สูงส่งจากอัลลอฮ์สุานอประทานลงมาให้กับเราซึ่งถ้าชาวมุสลิมปฏิบัติตามสาร น, นี้จากอัลลอฮ์สุตานอจริงๆก็จะเป็นคนที่สูงส่งแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามสารที่อัลลอฮ์ตะลาประทานมาให้กับเขาจะเกิดอะไรขึ้นภาพที่เกิดขึ้นจะก็จะเป็นเหมือนกับภาพของยิวที่อัลลอฮ์ตะลายกมาให้เป็นอุทาคอในสุรตุรจุมะ มิสลุ่น الذين حملوا التوراة ثم لم ي ح م ل و า ا จำเอาไว้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าพวกเจ้ามีอัลกุรอานมาถึงพวกเจ้าแล้วมีรอซูลมาถึงพวกเจ้าแล้วเพื่อที่จะสอนอัลกุรอานให้กับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าไม่เอาไม่เอาอัลกุรอานไม่เอารอซูลภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนกับอยูว่พวกนี้ ม ثال วันนี้น่ะหมมิลท์เธอราอัลัตล่ยกอุทธหอคนที่อัลัตย์อล่ให้เตารอากับพวกเขาสมมะลัมยะมิลูฮาเสร็จแล้วคนพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้เตารอาเหมือนกับอะไรกับมซสลิลหิมารียะมิลูอสฟารเหมือนกับลาที่แบก หนังสือสมัยก <ivity> ่อนเนี่ยมันไม่มีรถกระบะเวลาจะขนของเนี่ยเขาใช้อะไรฮะใช้วัวใช้เออไม่วัวมีไม่รู้มีหรือเปล่าใช้มาช้าใช้อูดแต่สัตว์ที่ถูกใช้เป็นเครื่องแบกของมากที่สุดเป็นที่นิยมที่สุดในสมัยก่อนก็คือลาแล้วก็มีเขามีคําพังพอนเขาบอกโง่เหมือน อ, อะไรนะโง่เหมือนลาเพราะอะไรฮะเพราะลานี่มัน มันถูกใช้ของใช้ทํางานของหนักๆอย่างเงี้ยนะเวลาสมัยก่อนเวลาจะแบกหนังสือก็ใช้ลาจะแบกเกลือก็ใช้ละจะแบกนู่น แ, แบกนี่ก็ใช้ลาทั้งหมดก็มันไม่ว่าอะไรแล้วแต่ใครแล้วแต่ใครจะแบกอะไรมันก็ไปของมันไม่ใช่รู้เรื่องอราจะมาเปรียบเทียบนะคนที่มีความรู้มีเตาถานซึ่งอสฟาร์ตไม่ยถึงอะไรฮะ อสฟาร์เป็นพระผูพจน์ของคําว่าซิฟรหมายถึงอัลกิฏับอัลลัตฟิฮีอัลกลนุนน่าแฟหนังสือที่มีความรู้ที่มีประโยชน์แต่ไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือนั้นถ้าเหมือนกับลามันแบกหนังสือดีๆเยอะแต่มันได้ประโยชน์อะไรจากหนังสือไหม อะไรเลยมันแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีหนังสือเลยจะบอกว่าพวกยูเนี่ยเป็นพวกที่ชอบสะสมของพวกนี้สะสมของโบราณแล้วถือว่าของพวกนี้นี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เคยอ่านไหมน ว, วัดยาดาวินซิงดาวินซี่อะไรนี่เขาอ ะ, อะไรที่มันเป็นของโบราณของสมัยมูซาสมัยกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยโอ้พวกนี้พวกนี้ นิยมที่จะเก็บเอาไว้มากไปดูในพิพิธภัณฑ์ในยุโรปในอะไรพวกจะมีของพวกนี้เก็บเอาไว้เยอะให้ความสำคัญกับของพวกนี้ในเชิงวัตถุแต่ถามว่าไปแกะเอาความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในคัมภีร์เหล่านั้นเอามาใช้ในชีวิตจริงไหมไม่ไม่เลยเพราะฉะนั้นระวังให้ดีระวังว่าเราจะเป็นคนแบบนั้น มีอัลกุรอานอยู่นี่อัลกุรอาน yang ดีเลยนี่นอัลกุรอานนี่ดีกว่าเทวรอตอีกดีกว่าอ ng เละระวังจะเป็นเหมือนลา <laughs> มีอัลกุรอานเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรสุบฮานอัลลอฮ์น่กกากลัวมากไม่มีอีกแล้วนะครับบิซอัลลอฮ์ตะลาบอกว่าบิซามาลุนก้าไม่มีอีกแล้วอุทาหอนที่จะแย่ไปกว่าการเปรียบเทียบเหมือนกับลาที่แบกหนังสือพวก อะละ u in, ่ l a เช่น n g kon yang chain al r t um u b a นะ al qur'tubi ni magwa yangai وهذا ا ل م م ن الله الكتاب เป็นการเตือนจาก a l l ล h س ว่าคนที่เก็บอัลกุรอานเวลาที่เราซื้ออัลกุรอานอย่บางคนนะหาอัลกุรอานแบบที่หายากอ่ะเวลาไปมักกะฮ์เนาะฝากซื้อัลกุรอานหน่อยซื้อแบบไหน เอาที่แพงที่สุดเลยเอาที่แบบดิ้นทองอ่มีทองสลักทองเอาเล่มที่ราคาแพงเอากลับมาทำอะไรตั้งเอาไว้ในในหิงระวังจะเป็นเหมือนกับลาที่แบกหนังสือนะต้องน่ะเป็นการเตือนจากลัทธิสงครามกลางวาว่าไอ้คนที่มีคำภีอยู่ต้องรู้ความหมายต้องเรียนความหมายของคำภีด้วยและต้องปฏิบัติตามความรู้ที่เราเรียนด้วย เพื่อไม่ให้โดนตำหนิเหมือนกับที่บรรดายะฮูดถูกตำหนิจากอัลลอฮาน ب ح ا ว ه ต ت ع ا ل ى ตัวอพรา ะ, ะนั้ น, นที่อัลาลอฮฺตรัสว่าบิสมสลุลก اؤ ไม่มีการเปรียบปรอยอันใดที่จะน่าสมเพชน่าน่าอะไรอะ่ะน่าเลวร้ายมากไปกว่าการเปรียบปรยนี้อีกละ นำซ้ำถ้าถามว่าระหว่างลากับมนุษย์ถ้ามองในแง่นี้เนี่ยอันไหนที่น่าสมเกตกว่ากันอิมนุกะซีรบอกว่าฟาฮุมอัสวะอัฮาลันมินลามีมนุษย์ที่แบกหนังสือแต่ไม่ได้ประโยชน์จากหนังสือเนี่ยยิ่งกว่าลาทำไมฮะเพราะลาเนี่ยมันมีไมมันมีนี่ไหม มันมีอะไรไอ้ที่อยู่ในหัวดีไหมลาเนี่ยมันไม่เข้าใจอนุโลมให้มันได้เพราะมันไม่มีปัญญาใช่ไหมฮะแต่มนุษย์เนี่ยมันมีปัญญาแต่มันไม่ใช้ประโยชน์จากปัญญาของมันโอ้โหไม่เคยหนักไม่เคยหนักเท่านี้มาก่อนที่ในสุรทูละราฟที่ Allah ตรัสอะาว่าอะไรนะ فهم كالأنعام หล่าเน ه م قلوب ع ق ل و ن بها و لهم ذ ا ن لا يسمعون بها و لهم นีในสุุลาระห์ที่อัล تعالى บอกว่าพวกเขานั้นมีสายตาแต่ไม่ได้ใช้สายตาดูอ ل ا ء إ ِ ك َคนที่ไม่รู้จักใช้สายตาในการดูไม่รู้จักใช้หูในการฟังอายะห์ของอัลล ไม่รู้จักใช้หัวใจในการไคร่ตรวงเนี่ยอุละอิกะกัลอนามคนพวกนี้เนี่ยมือนกับปัสสตว์เหมือนกับอ้เหมือนกับควายนี่เป็นคําพูดของ Allah Subhanahu Wa Taala บัลฮุมอาบลนําซ้ำมนุษย์พวกนี้เนี่ยยิ่งกว่าอีกเพราะว่าสัตว์พวกนั้นมันไม่มีปัญญา Allah Taala ไม่ได้สร้างสัตว์มาเพื่อให้ความเข้าใจคัมภีแก่พวกเขาแต่ Allah Taala สร้างมนุษย์นาสร้างมนุษย์มาให้มีความเข้าใจ ให้สามารถเรียนรู้ได้แต่ไม่ยอมเรียนไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมฟังไม่ยอมดูคนไหนที่แย่กว่า سبحان a l l a บิ๊กเสมอสลุลกมิลลีนักัลซบูบอายาติลลาไม่มีอุทาหรณ์ใดที่จะแย่ไปกว่าอุทาหรณ์ที่อลัลลอฮฺประเป ร, ย, เปรยบรรดาคนที่ปฏิเสธหลักฐานพยานที่มันชัดแจง้งที่อลัลลอฮฺทรงประทานลงมาให้กับนบีของพระองค์ นะที่บอกถึงความเป็นเตลฮีดของล็อบสบาวจัลละ ى, ที่บอกถึงความศักดิ์จริงของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะวะสัลลัมไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามนะบางคนที่ปฏิเสธท่านนบีเพราะอะไรฮะส่วนใหญ่แล้วที่ปฏิเสธท่านนบีนี่จากบรรดาพวกกุเรชเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เป็นเพราะความจองของเพราะความหยิ่งยสโส อันนี้คือหรือเพราะความตรสุบในบรรพบุรุษปู่ย่าตายายไม่เอาอันเนี้ยปู่ย่าตายายเราไม่เคยทำเอาคือคือไม่รู้จะตอบโต้อย่างไงแล้วสุดท้ายก็เอาหลักฐานนี้แหละมาตอบโต้เอ้ยอย่าไปทำเลยสู้กันด้วยหลักฐานนี้สู้ไม่ได้แล้วจนสุดท้ายต้องมาสู้กันด้วยอะไรด้วยฮาวานัฟสูเอาปู่ย่าตายายมาเป็นหล่ะ อ้ยอย่าจบละอันนี้พ่อเราไม่ได้ทําแม่เราไม่ได้ทําปู่เราไม่ได้ทํายาิตายายเราไม่ได้ทําอย่าไปทําอย่าไปตามเพราะห้ำบัลสลล็อกสลัมเพราะว่าสู้กันด้วยหลักฐานสู้ไม่ได้และเขาเราและควรใจเราและนี้เป็นโรคอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺกล่าวเลยบอกว่าวลลัลลอฮฺลัยฮดิลกอมอัลท้ลิมินนะเมื่อไรก็ตามที่เราปฏิเสธสัจธรรมโดยไม่มีข้ออ้างที่ยอมรับได้ อ้างด้วยฮาวารัดซูอย่างเดียวเนี่ยเราจะอะไรก็ปิดโอกาสการได้รับอิดายัตอีกต่อไปเพราะอะไรฮะเพราะเราจอเลมต่อตัวเองเหมือนที่พวกยิวเนี่ยจอเลมพวกยิวจอเลมยังไงพวกยิวเนี่ยรู้ดีว่าความจริงเป็นยังไงความเท็จเป็นยังไงแต่ก็ยังดื้อด้านแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นอกจากจะจอเลมตัวเองแล้วยังสกัดกัน้นบรรดาผู้ศรัทธาอีก ยังขีดขีดขวางนะขัดขวางผู้ศรัทธาอีกยังโกรธแค้นผู้ศรัทธาอีกยังอ ah, ิจฉาริษยาบรรดาคนที่เป็นมุสลิมอีกอต้องการพยายามทุกวิถีทางที่จะให้เรานั้นไม่ได้รับความดีงามจากอิสลามถามว่าพวกยูพวกนี้เนี่ยเวลาที่มาขัดขวางชาวมุสลิมเนี่ยต้องการให้มุสลิมกลายเป็นยูไหมฮะต้องการเพิ่มประชากรยูไหมไม่ ไม่มีหรอกนั่นที่อยากจะให้เราหลุดออกจากอิสลามแล้วไปนับถือศาสนาอยู่ไม่เขาไม่ได้รักเราจริงขนาดนั้นแต่ถ้าพวกยิวมันรักเราจริงเนี่ยเอ้ามาเลยมานับถือศาสนายิวมีไมหมอ่ะยิวที่มามาดะะ่าวมาดะ่าะให้เราเข้าเป็นยิวมีไหมครับไี่มีเขาต้องการแค่ให้เรานั้นออกจากอิสลามแล้วไปเป็นอะไรก็ได้ เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราออกจากอิสลามแล้วเราไปเป็นอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้งานเราได้ทันทีเมื่อไรก็ตามที่เราหลุดจากสภาพมุสล yes ิมแล้วกลายไปเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยมันถูกใช้และจะเป็นคนที่เราถูกเรียกว่าโกยิมโกยิมก็คือคนอื่นที่ไม่ใช่ยิวทั้งหมดพวกยิวจะเรียกคนอื่นที่ไม่ใช่ยิวว่าเป็นโกยิม โกยิมก็คือสัตว์เลี้ยงเป็นทาาของพวกยูน้องสุเป็นอหไรเปนไรเลยดังนั้นจุดประสงค์ของยูเนี่ยไม่ได้ต้องการเพิ่มประชากรยูหรอกนะไม่ใช่ต้องการแค่อย่ารุน ด, ดู่คุ้มอันดีนีกคุม้มให้เราออกจากศาสนาอิสลามจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมึงจะไม่มีศาสนาก็เอาหรือจะเป็นศาสนาอื่นก็เอาเพราะว่ามันง่ายละที่จะควบคุมถ้าหากว่า คนคนหนึ่งไม่มีอิสลามพระมุสลิมเนี่ยจะเข้าใจยิวมากกว่ามากกว่าอย่างอื่นในอิสลามจะมีคําสอนที่พูดถึงยวิวแม้เราไปอานจะพูดถึงจะแฉพฤติกรรมของยวิวทังนั้นดังนั้ น, น, นคนที่เป็นมุสลิมแล้วถ้าไม่รู้จักยวิวเนี่ยเราวางให้ดีต้องจำความเข้าใจต้องรู้จักยวิวนี่แหละที่เราตั้งาลักว่าวะัลลอฮฺละยฮดีอัลกอมาฟาริมอฺอัลฮัมดุลิลลัห์วันนี้เราได้เห็นภาพสองภาพ หคือภาพของประชาชาิมุสลิมที่ถูกให้เกียรติจากอัลลอฮ์สุบฮานุตแต่อะไรด้วยการแต่งตั้งเราซูลมาให้กับพวกเราถ้าเราไม่ระลึกถึงเนหมัดข้อนี้เราก็จะย้ายไปอยู่อีกภาพหนึ่งเหมือนกับภาพของพวกยูที่นบีมูซาถูกประทานลงมาให้เป็นแต่งตั้งให้เป็นราซูลกับพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่เอาสุดท้ายพวกยูเป็นยังไงนะครับบรรปลายสุดท้ายของพวกยูเป็นยังไงที่เราเห็นในประวัติศาสตร์ ดังนั้นไม่มีทางครับถ้าเราจะรื้อฟื้นเกียรติยศของมุสลิมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใหม่เนี่ยจะ ต, ต้องกลับมาทบทวนข้อเท็จจริงเหล่านี้ที่อัลาตาลาพูดถึงในสุลตูยุมาต้องสร้างตัวตนยังไงต้องกลับไปดูรูปแบบการสร้างของท่านนาบีสุลตสัลมต่อบรรดาคนที่ไม่รู้หนังสือในยุค ข, ของท่านอย่างไรเราไม่ได้ถ้าผมจะใช้คาว่าไม่ได้โง่กว่าคนในยุคอาหรับเนี่ยผิดไหม เพราะอะไรฮะเพราะเราเป็นคนรู้หนังสือนะในขณะที่คนอาหรับในสมัยก่อนกุเรชในสมัยก่อนไม่รู้อะไรเลยถามว่าใครที่โง่กว่าเราจะพูดแถงในแง่นี้ฮะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเนี่ยสติปัญญาของเรานี่ไม่ได้ไม่ได้เขา่าไม่ได้โง่ไปกว่าคนในสมัยยุคกุเรชเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงฮิดายะของอัลกุรอานมากกว่าคนสมัยนั้นด้วยซ้าไป แล้วทำไมเราไม่ได้รับอิดยะเหมือนคนเหล่านั้นเพราะอะไรลองคิดดูให้ดีความบกพร่องของเราอยู่ที่ไหนที่เราไม่สามารถจะเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานเหมือนที่ชาวอาหรับสามารถจะเข้าถึงในยุค ข, ของท่านอะบดุฮะมดีลลอฮฺอะลัยฮิสซาลอัลกุรอานไม่บกพร่องแน่นอนถ้าจะบกพร่องก็คือบกพร่องที่ตัวเราเนี่ยเราเรียนอัลกุรอานยังไงเหมือนกับที่ซอบะ์เรียนอัลกุรอานไหม วิธีการเรียนการสอนอัลกุรอานของเรากับวิธีที่ท่านนาบีสอนสัฮาบะเรียนอัลกุรอานเป็นยังไงอันนี้ตั้งหากที่เราจะต้องทบทวนหรือว่าเราไม่ได้เรียนตั้งแต่แรกอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเราลองหาดูสิว่ามีที่ไหนบ้างที่สอนอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานชบทวนอัลกุรอานแล้วก็เอาอัลกุรอานมาให้เข้าในหัวใจแบบลึกซึ้งแล้วก็เปลี่ยนหัวใจของเราจริงๆ อ ول ้าเเปป็นไได้้ราตองการให้อุมัวใจของประช า, ชาติมมมมุุุุลลิิิิทททกกกคคนนนนี่เเปป็ประช า, ชาตต้องดับัเลเราาหนลังคมมที่ันเก์ไมี่พยานกลยสังค ม, มไม่างคยา่ า, า, าม พวกยูเองอย่างอิดฉาและต้องการที่จะทำลายอิสลามมาตั้งแต่วินาทีนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้อัลลอฮ์ ع ا ل ى อัลลอฮ ف ق ا ل ل ه ك م ل يحب ر ض ص ل الله ن ا محمد على آله و ص ح وسلم ا ل ز ي, ي و ن س, س ل ا م على ا ل م س ل ي ن ح م د لله العالمين السلام عليكم ر ح م ة الله ك